ท่านสาธุชนทั้งหลายและพระ อ, อยู่คาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็คงต่อเรื่องบุพกรรมของพระมหาสาวกแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะได้รับฟังไม่ติดต่อกันทุกวันทางนี้ก็เพราะว่ามีภารกิจมากสำหรับวันนี้ก็จะต่อวันที่แล้วมาเลย ความในตอนนี้ของพระบาลีมีอยู่ว่าเมื่อท่านบุตรสองของพวกกรรมกรขอโทษท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชโอรสทั้งสามนั้นฮาบริวานพันหนึ่งสมาทานศีลสิทธิแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาวสาวพัดอยู่แต่ในพระวิหารก็รวมความมบวชในนั่นเอง ขุนคลังและสมุดบัญชีได้ร่วมกันเบิกเสบียงตามวาระคือแต่ละวันละวันในการเลี้ยงพระวิสุษุสงฆ์สมันในในพระพุทธศาสนาจากเคลื่อนค้ังทั้งหลายของพี่นอนตอนสามพระองค์ถวายแด่แพระพุทธเจ้าพระสงฆ์และคนทั้งหลายเร่งกล่าวต่อมาว่าบรรดาบุตรของบรรดาพุท ก, กรรมกร เหมิงของที่เขทําถวายพระดีๆเธอก็ร้องไห้ต้องการข้าวยาคูบ้างต้องการอาหารบ้างเป็นต้นบรรดากรรมกรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อบรรดาพระสงฆ์ยังมาไม่ทันหรือไม่ทันจะมาก็พยายามเอาวัตถุที่เขาจะถวายพระเอาของที่จะถวายพระ ให้วัตถุทั้งหลายมีค่ายาคูและพัดนะ่นคืออาหารการบริโภคขนมต้มแกงเป็นต้นแก่ บ, บุตรหลานในเวลาที่บีสุสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลืออีกเลยนี่เป็นอันว่าแกกินทั้งขึ้นและทั้งลงก่อนพระที่จะฉันลกูกหลานอยากจะกินก้อยกินซะก่อนบางของที่พระเขาฉัน กนี้เวลาที่พระฉันเสร็จแกก็บอกตามบาลีบอกว่าพวกนี้ก็ร่วบพระเอาไปหมดเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปขายไปแจกเพื่อนก็ตามทิยาใสเป็นกล่าวว่าในการต่อมาพู้กำกมบกรงทั้งหลายเหล่านั้นพูดอ้างว่าเราจะนำของนี้ไปให้กับพวกเด็กบ้างแล้วก็เอารับไปกินเสียเอง เห็นอาหารที่ไม่ชอบเป็นที่ชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกันได้คืออาหารอะไรที่มันมีรสอร่อยที่ชอบใจและทนไม่ไหวบรรดาพวกเขามีประมาณแปดหมืนสี่พันคนพวกเขา ก, กินอาหารที่ถวายสงแล้วหมายความว่าของที่พระฉันเหลือเขาก็กินหมดไม่ยอมแบ่งให้ใคร แต่กล่าวต่อไปว่าเวลาแตกกายทำลายขันก็ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมนี่จำให้ดีนะครับการศึกษาเรื่องนี้ถือว่าเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญพระเั็นบุกประกา ร, รนั่นก็โปรดทราบว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมหากุขึ้นมาเอง มีมาตามรำบาลีเห็นว่าสำนวนที่พูดในบางคราวบางครั้งก็รู้สึกว่าสำนวนไม่ไพเราะเพราะนั่นว่าก็ตามภาษาบาลีก่อนเป็นนั้นว่ากินก่อนพระบ้างบาทีพระไม่ทันจะฉันมีของอะไรดีๆก็อแอบผิดกันให้ลูกให้หลานกินเองซะบ้างเวลาพระฉันเสร็จ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างก็บอกว่าพวกฉันจะเอาไปให้ลูกให้หลานกินหมดเมื่อเวลาตายไปแล้วเพราะอาศัยกรรมชั่วที่ละโมบในอาหารยังพากันไปเกิดเป็นเปรตฝ่ายพระราชาโอรสทั้งสามพี่น้องพร้อมไรรดุบรรดุพันหนึ่งเมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกคือเป็นเทวดา ย, ยังทำไมลายสิ้นไปการนานถึงสิบสองถึงเก้าิบสองกับ <c oughs> <c oughs> เป็นอนิอนสงส์ที่ท่านบวชในแล้วก็ให้ทานการกุศลเมื่อเลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วรวมท่านท่านองสามด้วยแล้วก็บริวานอีกหนึ่งพัน ที่บทเนรร่วมกันก็ท่องเที่ยวเป็นเทวดาอยู่สิ้นเวลาเก้าิบสองกับกับหนึ่งมีเวลาท่านเปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับมีภูเขาลูกหนึ่งสูงขึ้นหนึ่งโยกว้างหนึ่งโยยาวหนึ่งโยมีหินล้วนมีหินแข็งล้วนไม่มีดินผสม ใน ร, รายกฏว่าถึงร้อยปีมีเทวดาองค์หนึ่งเอาผ้าที่มีเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัครข้งหนึ่ง100ร้อยปีปัครข้งหนึ่งอย่างนี้จงตั้งภูขเขาหินนั่นหมดไม่มีหินเหลือเหลือแต่ดินยิงได้เวลาหนึ่งกลับนี่ท่านท่านอุปมาไว้หมายความว่ากำหนดจะแน่นอนไม่ได้ในในหนึ่งที่เปรียบเทียบว่ากับหนึ่งก็มีถังกว้างหนึ่งโยดยาวหนึ่งโยดสูงหนึ่งโย มีเมล็ดพันธุ์ใบอากาศใสจนเต็มถึงร้อยปีเทวดาเอาเมล็ดพันธุ์พัธุ์อากาศเม็ดหนึ่งออกมาทิ้งทําอย่างนี้ร้อยปีหนึ่งเมตร้อยปีหนึ่งเม็ดทิ้งไปจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์พันากาศนั้นหมดจึงจะมีอายุ ป, ประมาณหนึ่งกับโดยใช้คำว่าประมาณสําหรับท่านเองสามพร้อมพระเดชวานตั้งพันก็เป็นเทวดาอยู่ถึงเก้าสิบสองกับ กับขวกเราแด้ดูนานอายุเทวดาท่านมากไม่นานเพรอมีความสุขแต่เบลบาลีกล่าวต่อไปท่ากล่าวว่าโอรสตังสามพี่น้องนั้นปราถนาอยากจะเป็นพระรหันต์เพราการทําบุญอย่างนั้นท่านต้องการความเป็นพระรหันต์ทำกันยาเนะี่ยทำในการนี้หมายกันยาเนะี่ยทำหมายควันทํางาม และในการนั้นด้วยรายการอย่างนี้ชาดินสามพี่น้องนั้นได้รับผลที่ตนตร้นาแล้วเหมือนกันเราจะได้เรียกหน้าบุคคลตั้งอักษาวกหามใหม่นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงกล่าวกับพระว่าที่ที่เธอถือว่าหาว่าฉันตั้งพระโมคคัลลาภาษาลีบทหน็นขนาบุคคลนัล้นไม่จริงเหตุผลม่เป็นอย่างนี้ ฟังเรื่องนี้เราก็คิดไว้ให้ดีเนีครับว่านัตถิโลกี อ, อนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ประสบมาแล้วแต่องค์สมเด็จพระประัณฑิตแก้วไม่ทรงคำนึงถึงถ้อยคำของคนเลวคนเลวนินใจเลวแล้วปาที่พูดก็พูดในความเลวย่อมไม่มีความหมายสําหรับคนดี คนประเภทนี้ปราศจากความกตัญญูรู้คุณอย่างพระผู้นี้ในอยู่ในสำนักของพระพุทธเจา้าก็ยังจะนินทาพระพุทธเจ้าอีกเป็นอ น, นว่าแต่เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีในอยู่ในสำนักของท่านทําไมมาปราถนาในธรรมอาศัยบา ร, รมีเพื่อประโยชน์อะไรแต่เขาเหล่านั้นในฐานะที่มีจิตเหลวจึ่งไม่ยอมจะคิดถึงเรื่องนี้ ท่ากล่าวต่อไปว่าส่วนสมุญบัญชีของพระราชาโอรสทั้งสามองค์นั้นในการนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพีสารที่มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพีสารสําหรับคุ้นคลังก็ไม่ได้เป็นมีสาขาโอ ม, มาสกเป็นนันว่าท่านทั้งสองนี้ก็ไดเ้เป็นเป็นพระอริยเจ้าด้วยกันทั้งคู่สําหรับกรรมกรของท่านทั้งสามเหล่านั้นได้เกิดแล้วเป็นเปรต ในเวลานั้นท่องเที่ยวอยู่ปราถนาในที่สุดแทงทุกติในกัปนี้ได้เกิดเป็นเปรตในโลกทลั้นแหละสิ้นสี่พุทธนนันดรหมายความว่าพระพุทธเจ้าสี่สิ้นมาทั้งสี่พระองค์ในระหว่างเป็นเปรตคือว่าผ่านพระพุทธเจ้าจากพระบัณุมุตระมาแล้วก็มา พ, พระโกกุศนโทรพระโกนายกรมพระพุทธกสป มาถึงพระ ส, ส, สมะัยพระสมณะโคดมคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานนาา้าสมวัตินามว่าโกโกสันพระหรือโกโสันโถนี่พุทธันดรที่หนึ่งผู้ทรงได้ชนอยู่ได้ทั้งสี่หมืนปีคือพระพุทธเจ้ามีนามวา่าโกโกสันโถน่ะทรงมีอายุเทั้งสี่หมืนปี สเด็จอุบัยขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในกัปนี้สําหรับกัปนี้นะท่านอย่าลืมว่ามีพระพุทธเจ้าทรงได้ทังสิบพระองค์แต่พระพุทธเจ้าสมณะมว่ากรุกสัญโธโสงบัดกรีก่อนในโลกนี้ในทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเฝ้าองค์สมเด็จปัญญาสีแล้วจึงได้กล่าวทูลถามองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดบอกการที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้อาหารแก่ผู้เข้าพระเจ้าโดยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกท่านจกยังไม่ได้ในการในเวลาที่เราทรงอยู่แต่ภายหลังใจแห่งเราเมื่อปติพีสูงขึ้นอีกประมาณหนึ่งยอด <c oughs> พระพุทธเจ้าจะมีนม า, โนา ม, มกนโกนาคมมะนะเจ้าบัตรขึ้นโกนาคมมะนะก็คือโกนาคมองที่สองเจ้าทรงอบัตรขึ้นพวกเจ้าจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นเถิดนี่เห็นไหมอย่างเป็นเปรตไม่ใช่ว่าจะเราจะช่วยกันได้ไ ง, ไง่ายๆถ้าเป็นสัตว์นรกมันก็ร้ายกว่านี้ ดีนมะไม่ได่าพระด า, จาเจนะ้าคนนั้นท่านด่าพระดาเจ้าเขาก็ลงนรกเลยนี่กินของท่านแล้วแต่ว่าไม่ได้ดา่าถ้ากินแล้วด่าด้วยลงอเวจีมหานรกจะร้ายยิ่งกว่านี้นี่พวกเขาถึงแม้ว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งช่วยไม่ได้เพราะอำนาจกฎของกรรมมรนดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเวลาให้ล่วงมาแล้วประมาณสิ้นหนึ่ง พุทธันดรเมื่อพระพุทธเจ้าสมบัตนามากโกนาคมและโกนาคมันะทรงบัติขึ้นในโลกแล้วจึงได้ทูลถามพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงจัดว่าพวกท่านจะยังไม่ได้อาหารในเวลาที่เราทรงอยู่แต่ภายหลังแห่งเราเมื่อเราหนีพานแล้วแผ่นดินสูงขึ้นประมาณหนึ่งยอ พระพุทธเจ้ามีนามว่าพระพุทธกสบจะทรงบัดขึ้นขอพวกเจ้าจงไปถามพระพุทธเจ้าองนั้นเถิดนี่ความจริงพระปฐทมุตรธรรมจากรมาแล้วว่าจากนี้ไปเก้าิบสองกับหรือเก้าเอกับเจ้าจะมีญาติเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารแต่ยังไม่ละเวลาที่จะถึง เขาเหล่านั้นก็ทุรนทุรายถ้ามันต้องอดกันเพื่อกล้าดิบสองกับก็ต้องนั่งคิดเนี่ยศัยกิงข้าวก่อนพระหรืออาศัยเอาพระข้าวของพระเข้าบานไปให้ลูกให้หลานนั่งกินกันเองนี่โทษนี่มากหนักมากน่ากลัวนะครับอันนี้เรื่องกิงของสงใช้ของสงมันมีโทษอย่างนี้ถ้าตั้งใจขโมยของสงต้าก็จะไปมันหนักกว่านี้ บรรดาเปรตทานหลายเหล่านั้นพระธรมบอกว่าปล่อยเวลาให้ประมาณเท่านั้นคึ้หนึ่งพุทธันดรให้ลงไปเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรมีนะพระนามว่าพระพุทธกสกทรู้บ่าขึ้นแล้วจึงเข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระบัีฑแก้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสว่าโวกเจ้าจักยังไม่ได้ในเวลาที่เราทรงอยู่ ตาภายหลังจากเราเมื่อพื้นดินหนาขึ้นสูงหนึ่งโยชน์จะมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าพระโคดมจากทรงบันดาขึ้นในโลกนั้นญาติของพวกเจ้าจะเป็นพระราชานามว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายทานในองค์สมเด็จพระพิชิตมารโตรองนั้นจกได้เจ้าจำนวายจะได้ส่วนของทานที่พระองค์ทรงอุทิศให้ พวกเจ้าจะได้อาหารในคราวนั้นหมายถึงว่าเวลาล่วงจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดรเมื่อเวลาการล่วงไปหนึ่งพุทธันดรนปรากฏกระเปิดทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับวันรุ่งขึ้นเขาดีใจหนึ่งพุทธันดอในแผ่น ด, ดินหนาขึ้นหนึ่งยอดในช่วงว่างแห่งพระพุทธเจ้าจากองค์นี้ถึงองค์โนท อย่างพระพุทธเจ้าทรงพระ น, นามาพระพุทธโคดมพระสมนาโคดมพระองค์นี้ก็เหมือนกันเมื่อพระ อ, องค์นี้พ่านไปแล้วแผ่นดินหนาขึ้นห น, นึ่งโยก็จะมีพระสีอารียะเมตไตรทรงแตกกินมาเขายจไหมเป็นนั้นว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพระตะถาแตกินแล้วเมื่อพระเจ้าพิเมิสานถวายทานในวันตน้น เป่งเสียงยำหน้าในนัหน้นนากลั ว, สวแสดงตนแก่พระราชาในส่วนราตรีที่แล้วคือเวลากลางคืนเมื่อ พ, พระพุทธเจ้าทรงบัติแล้วพระเจ้าพิวิสารมีความเรื่อมใสถวายทานแดบพตรโอและถวายพระเวรวันมหาวิหารบรรดาเปรตพวกนั้นมายืนนั่งคอยนอนคอยอยู่นานไม่มีโอกาสจะได้ว่วงกลุ่ล ยิ่งได้พาการส่งเสียงร้องกล้องไปทั้งบระิษัทยังพระราชาพระเจ้าพิมพสารให้วันหวัดให้ราตรีนั้นว่ารุ่งขึ้นเท้าเธอจึงเสด็จประโสพระเวดวันกราบทูลเรื่องนั้นให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ว่ามาหาราชาขอถวายพระพรพระมาหาบพิตรพระราชาสัมันธ์ ในที่สุดเจ้ากล้าดิ่จองกับนับตอนนี้ถอยหลังไปในการแห่งพระพุทธเจ้าสมปนามาผู้ฝุกสักดิพวกเปรตนั่นเป็นเพื่อย่ายของพระองค์กินอาหารที่เขาถวายเพื่อสุสงเกิดเป็นเปรตในโลกแล้วท่องเที่ยวไปอยู่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้น <c oughs> มีพระกุศนโทเป็นตนอันว่าพทธเจ้าเหล่านั้นได้ทรงบอกตามคาที่กล่าวมันแล้วหวังเฉพาะทานที่พระองค์ทรงถวายตลอดกาคลคือต้องการมานานแล้วว่ารอว่าเมารัยน้อพระเจ้าพิเมสารจะเกิดเมื่อรัยน้อพระพุทธเจ้าทรงพระนาพระพุทธคาสน า, ะสนาจะเกิดเมื่อเกิดแล้วทาบุญเราจะมีผลแห่งความสุข มีอาหารบริโภคคอยแล้วคอยเล่าเฝ้าแต่คอยเมื่อคอยเวลาที่พระเจ้าพิมีสารถวายทานไม่โ อ, อทิสส่วนกุศลให้ก็เจ็บใจเดือดร้อนคอยมานานนั่นนี่ก็เลยไปร้องให้ตกจุกตกใจองค์สมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธฎีกาแต่บอว่าเมื่อวานนี้เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้วไม่ได้รับส่วนบุญที่เขาคอยอยู่ยังได้ทําอย่างนั้น ราชาพระเจ้าพินิสานิกราทูลถามว่าพันเตฟัควารข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้ทธมีพร ะ, ะพ่ายเจ้าพูะเจริญพระพุทธเจ้าขา้าก็เมื่อมอมฉันท์ถวายทานแม้ในวันนี้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับไม่นี้รับมไม่ได้รับที่นถามว่าเมื่อวานเนี่ยทานเมื่อวานถวายไปแล้วเขาไม่ได้รับแต่ว่าถ้าจะถาวายทานเดี่ยวนี้ในวันนี้จะได้ไหม สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้มีพระพุทธดรีกาแต้ว่ามหาราชาขอ้อถวายพระพรพระมาหามอบพิตรพระราชาสมภารถ้าพระองค์ถวายวันนี้อาทิตย์ให้วันนี้เพื่อทั้งหลายเหล่านั้นก็มีโอกาสจะได้พระราชาจะ น, นีิส่งนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นประมุขพร้อมไปด้วยบรรดาพิษุโสมทั้งหลายเ <c oughs> ข้าไปในพระราชนิเวศถวายทานในวันลุ่งขึ้นแล้ว ราชาในพระราชทานสนบุญว่าอิทังโนยาตินังโหตุซึงแปลเป็นเรื่อความจำภาษาไทยดีกว่านะ่เขาครับอย่าไปจำอะไรภาษาบาลีนะ่ยยุ่งแบบเปลา่ายไม่ต้องไปว่าโอดชยบ้างรับว่าภาษาไทยไม่รู้เรื่องดีเขาว่าอย่างนี้ขเขาแปลอย่างนี้ละกได้กาทุนว่าฆ่าแต่พรงผู้เจริญ ขอข้าวระน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแกบ่บรรดาพวกเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระอาศัยมหาฐานนี้ฟังใหดีนะว่าท่านุทิศสงสารอย่างนี้ถ้านบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวระน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่พวกเปรตเหล่านั้น น้ำต่างแต่เพราะอาศัยการถวายทานในคราวนี้เป็นอนว่าข้าวและน้ําอันเป็นทิพย์ก็ได้ปรากฏมีเจบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเช่นเดียวกันรุ่งขึ้นบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้เปลือยกายสแสดงทนตนแก่พระราชาตอนนี้เป็นอนว่าบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาสวยอ่อนที ได้แสดงตนกับราชาได้แก้ผ้าไม่มีเสื้อมาหมดสงสัยที่ตรงนี้สงสัยว่าเวลาเปลือกมาแสดงตนให้ราชาเห็นนี่การเดินหันหน้าเข้ามาแล้วหันหลังเข้ามาพืก็แก้ผ้ามารีไม่ได้บอกเป็นอันว่าเป็นเปลืกเปลือก็แาอะกัน พระเจ้าปิเมศร์แห็นก็แปลกใจตอนเช้าจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าวันนี้พวกเปดตปลุยกายสนแสดงตนแค่ข้าพระพุทธเจา้าสมเด็จพระผู้มีพระพเจ้ า, าจึงแต่ว่าพระมหาว่าปิดโลงได้ไม่ได้ถวายผ้าเนี่ยก็จะไหวข้าวเปรดมีข้าวกินร่างกายก็สมบูรณ์ร่างกายเป็นทิศ แต่ไม่ถวายผ้าเขาจะมีพระนงเันได้ยังไงเพราะเขาไม่เคยทำบุญพระนงบ้างผมมันจะทำบุญอะไรกับมันนอกจากมันจะขโมยข้าวพระกินก่อนที่พระจะฉันแล้วพระฉันแล้วก็ขนเข้าบ้านกันหมดดีไม่ดีพระไม่ทันจะฉันก็ขนเ ข, ข้าบ้านกันหมเสร็จแล้วเดินยางบาลีที่ตอนต้นเพราะฉนั้นกินก่อนพระให้ลูกกินให้หลายกินตัวอยากกินอะไรมันดีก ก, กินเสก่อน เวลาพระฉันแล้วคนเข้าบ้านอีกนั้นมันยังเป็นของสองฆ์อยู่พระยังไม่ริยากเพราะแกตั้งหน้าตั้งตายขโมยแบบนั้นนีแก็จะถาวายผ้าคนท้องสบายได้ยังไงเป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นพระราชาจะถาวายผ้าไตรจีวรจะมัดูบรรดาวิสุทธิสมทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก แล้วทรให้อุทิศส่วนกุศว่าขอผ้าเป็นทิพทั้งหลายเหล่านี้จงสําเร็จกับมรนดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยการให้ถวายตาอันตริวัทานในคราวนี้เอาง่ายๆก็ขอผ้าเบญทิพจงสําเร็จกับมรนดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเพราะที่เราถวายผ้านี้เอานี่ก็แล้วกันนะ <c oughs> ในขณะนั้นเองบรรดาผ้าทิพก็เกิดกับบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้น เปรตเรานั้นละอัตภาพของเปรตดำรงอยู่ในอัตภาพความเป็นเทว ด, ดาตัวเป็ทิพแล้วสมเด็จพระกฐีแก้วจึงได้ทรงทางอนโมธนาได้ทรงอนรนโมธนาด้วยตีโรกุตตสสุดว่าตีโรกุนเดสุติทันติเป็นตนในริสุทแห่งอนุโมธนาเ้าทรมาพิสมัยก็ได้แก่บรรดาสัตว์แปดหมื่นสี่พันแล้ว คำคำว่าธรรมามิสมัยนี้ก็หมายความว่ า, วาคนที่ฟังเทศเวลานั้นได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าถึงแปดหมื่นสี่พันคนแล้วสมเด็จพระทศพลจึงได้ทรงตัดเรื่องเชดินทั้งสามเดินทั้งสามเปนนองแล้วจึงได้ทรงจึงได้นำวัธรรมเทศนานี้มาแล้วด้วยประการดังนี้ นี่เป็นอนันว่าเป็นบุปพกรรมของท่านฉดินดาวสามพี่น้องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบรรดาฉดินเขาสามพี่น้องนั้นไม่ได้ปรารถนาจะเป็นอักสาวกแต่ท้าเขาจรงไม่ได้แต่งตั้งก็เขามือเขาไม่ปรารถนาไม่ตั้งอย่างไงเขาต้องการเป็นรหันก็ได้เป็นแล้วเนี่ยฟังกันให้ดีนะตอนนี้ก็มาต่อเส็นิดเวลาม่เหลือสามสิบสี่นาที ต่อไปหน่อยว่าบรรดาพิสุทธิั้งหลายกลับทูลถามว่าก็พระกัสสาวกทั้งสองได้ทํำกรรมอะไรไว้บ้างพเจ้าค่ะที่จึงได้เป็นอกสาวกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจาทรงตรัดถรงตัดว่าพิก เ, เวดูก่อนสุทธุ์ทั้งหลายอกสาวกทั้งสองทำความปรารถนาเพื่อเป็นอกสาวก เรงกล่าวว่าจริงอยู่ในที่สุดแสงไข่ ย, ยิ่งเด็ดแสงกลับแต่นี้ไปคือถอยหลังไปสองอีง่หนึงแสงไขกับแสงกลับมาถอยหลังขึ้นไปพระสารีบุตรเกิดในเรืกูลของพระมหาศารมีนามว่าสรทะทสรทะทนมาน พระโมคคัลลานะเกิดในใดกุก็หาวบดีมหาศาลข้าวบดีคนรวยเนะี่ยพระมหาศาลเป็นพรา์ผู้ใหญ่มีความรู้มากก้าวดีมหาศาลรวยใหญ่สำหรับพระโมคคัลลานะเวลานั้นมีนามว่าสิริวัฒนะสิริวัฒกุมพีมานพ สำหรับมานพตอนสอนนั้นได้เป็นสหาหเล่นฝุ่นร่วมกันเป็นเด็กๆนะเล่นกันไปเล่นกันมาแต่ถะามานพเวลาล่วงเลยไปแห่งบิดาได้ครองทรัพย์สินเป็นมากอันเป็นมรดกของเสกุลในวันหนึ่งขด้กล่าวว่าอยู่ในที่รับตาคิดว่าเยาเราย่อมรู้ว่าแต่ภาพในโลกนี้เท่านั้น อารู้จักอตลักษในโลกหน้าใหม่อันธรรมดาความตายของสายเกิดแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเวลาที่ชีวิตมันมีขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงมันจะต้องตายควรที่เราจะหมดเป็นบัชิดเป็นบรนบชิดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทํากิจเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมต่อไปว่าอย่างไงแปลว่าท่านหลายมองดูเวลามันก็หมดไปแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องไว้นิดแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วพอดีในที่สุดทางการฟังธรรมนี้ขอบรรดาท่านนันหลายก็ได้ปรดจดจําไว้ว่ากรรมใดที่เป็นส่วนดีหรือส่วนชั่วเรื่องนี้เทียบเปรียบเทียบไว้ดีๆขอท่านนั้นหลายจงเลือกปฏิบัติแต่ความดีละเว้นความชั่ว ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นขอทุกท่านที่สลับจงมีได้ความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พู่นผลพึงประสงสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกร